ในช่วงเช้าเราได้เจริญสติตั้งแต่ตีสี่ถึงตีหหมดว่าโดยเรื่องท่าสีใช่ท่าสีา 4, ในการาปั๊มเลือดลมเข้าไปปั๊มลมก็คือออกซิเจนเข้าไปทางใช้ท่งท่าซึ่งไม่ตีกับยมสองยังไม่ได้ศึกษาเรื่องนี้มาไม่ทันต้องมาให้ครบ ปีนี้หลวงพ่อเพิ่มเวอร์ชั่นใหม่ขึ้นมาในการดูแลสุขภาพนะคือยิ่งแก่ตัวลงไปเนี่ยถ้าหากว่าเราไม่ตามดูแลร่างการก็เสื่อมไปตามสภาพแต่ว่าตัวประสบการณ์ชีวิตทั้งทงโลกทางตําเนี่ยมันน่าจะเป็นประโยชน์แก่คนรุ่นหลังมากมายแต่ว่า เราถ้าปล่อยร่างกายเสื่อมลงไปตามสภาพเนี่ยมันก็ใช้ไม่ได้นานก็หมดสภาพมานึกถึงหลวงพ่อครูบาอาจารย์ที่ท่านบรรลุธรรมแล้วนี่ท่านก็เผยแผ่ได้ไม่นานท่านก็ต้องไปตามสภาพเพ่งเสียดายประสบการณ์ทั้งชีวิตที่ท่านสังสมมาบทตั้งแต่เป็นเนยนี่นะสังสมเดินรูดงเข้าป่าจนถึงช่วงอายุมากขึ้นเข้าถึงสภาวะธรรมแล้วเผวยแผ่ได้ไม่นาน ก็ต้องเป็นอันว่าประสบการณ์ชีวิตทั้งหมดพวกคุณก็เก็บมาบูชาและบูชาแล้วก็ไม่ได้ทำด่างของสอนก็ไม่เกิดประโยชน์แต่ท่านาสามารถถ่ายทอดประสบการณ์การเข้าถึงธรรมการดูแลสุขภาพที่ดีให้กับอนุชนลูกหลานต่อมาเนี่ยมันจะเป็นประโยชน์มหาศาลเพราะต้นทุนของท่านคือเป็นที่ตั้งของศรัทธาอยู่แล้วใครก็ พร้อมที่จะเชื่อฟังและทําตามแต่เราก็ได้สูญเสียบุคคลที่เป็นคุณภาพเหล่านี้ไปจะด้วยความปล่อยวางของท่านหรือการไม่ฉลาดของผู้สิทธิ์อันนี้เราก็เดาไม่ได้แต่ความหน้าที่การปล่อยวางเป็นเรื่องของท่านแต่หน้าที่ของผู้สิทธิ์ในการจะดูแลท่านให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้เป็นหน้าที่ของเราเราที่เป็นผู้สิทธิ์ทั้งหลายแต่ถ้าหาว่าท่านเป็นคนขวนขวายดูแลตัวเองอย่างอาตมานี่นะ ก็ไม่ลำบากลู้สิษย์พอมาเป็นโรคภัยไข้เจ็บเลยลูกศิษย์ไม่เคยมาให้ลูกศิษย์ได้มายุ่งมารู้แต่ถ้าหนักจริงๆแล้วก็เก็บตัวเงียบเลยจนกว่าจะขึ้นปกติโยมก็ไม่รู้อจตมาเป็นอะไรซึ่งก็บริพุจาโดยการเกิดเป็นมนุษย์เป็นของยากแต่เรามาใช้ของที่ได้มายากด้วยความมักง่ายซึ่งมันน่าเสียดายมาก ได้ของที่ยากมาใช้เพื่อสนองกิเลสตัณหาที่ไร้สาระที่สุดใช่ไหมแต่เราก็ทํากันเป็นวักเป็นเวรนะแต่สิ่งที่เป็นสาระเรากลับไม่สนใจอย่างสมมติว่าการแต่งเนื้อแต่งตัวเนี่ยใช่ไหมเป็นสาระภายนอกแต่การดูแลความคีบแข็งความพร้อมภายในสุขภาพเป็นสาระหลัก แต่เราก็ให้ความสำคัญมันน้อยมากถ้าเปรียบเทียบกับค่าเครื่องสมงังเสื้อผ้าเครื่องแต่งตัวกับค่าดูแลสุขภาพเทียบกันไม่ได้เลยใช่ไหมนี่เราไปสูญเสียทรัพย์สมบัติเพราะสิ่งที่ไร้สาระมากกว่าสิ่งที่มีสาระเราเสียงเงินเสียทองไปเพื่อที่จะแสวงหาเส้นทางทำมาพัฒนาตัวเองเพื่อแสวงหาวิธีการที่ดีมาดูแลสุขภาพ น้วยมากถ้าเปรียบเทียบกับเราไปซื้อยาอาหารเสริมเครื่งบำรุงอาหารเลิศรสต่างๆเทียบกันไม่ได้เลยใช่ไหมดังนั้นนี่สังคมของเราเป็นสังคมที่นิยมในสิ่งที่เป็นการปรุงแต่งที่ไร้สาระแต่เราก็ทํากันเป็นวัฒนธรรมซึ่งเป็นเรื่องที่แก้ยากมาก ด้วยเหตุที่มาได้เดินทางไปทั่วโลกเนี่ยได้เห็นสังคมหลากหลายต่างๆ่งเโอ้เป็นอย่างนี้ทางเอเชียของเราจะพัฒนาไปใกล้ขนาดไหนก็ตามยุโรปตามทางตะวันตกเขาไม่ได้เพราะเขาพัฒนาตัวเองตลอดเวลานั่งรถไปได้วยกันเนี่ยเราจะไม่เห็นผู้ชายขับรถผู้หญิงขับรถแต่เดี๋ยวนี้รถสีถ่ล้อเลืทอนเทเลอร์ยาวๆบนถนนเนี่ยผู้หญิงขับมากกว่าผู้ชายนะถึงเช้าขึ้นมาเขาไปยิมกันละ ไยิ่งอกลังกายซึ่งก็แล้วการพัฒนาตัวเองในการรักษาสภาพปกติของเซลล์สมองระบบประสาทโครงสร้างของร่างกายให้ปกติเป็นภารกิจที่สําคัญครั้งหนึ่งมาไปที่บาทเพมอนตรงนั้นเขาถวายไอ้โฮติน ที่มันขายไม่ออกแล้วให้เช่าไม่ได้เพราะเศรษฐกิจมันตกที่เยอรมันทีนี้เจ้าของโมเียวก็เลยเป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อคูณเนี่ยก็ปรึกษาหลวงพ่อคูณว่าจะทําอย่างไรกับสภาพแบบนี้ไปให้เขาเช่ามันเนี่ยคนเช่ามันก็ไม่จ่ายเราเสียค่าน้ำค่าไฟเป็นกันงหัจะขายก็ไม่ได้เมืองบัตเปิมอนเป็นบานเป็นเมืองต่างอากาศเป็นเมืองในหุบเขาที่งดงามเราอากาศดีมากคนรีชายทั้งหลาย จะไปพักกันลดงโรงพยาบาลของคนผู้สูงอายุเรื่องหลาอยู่ที่นั่นพ่อคูณก็บอกว่ า, วาเอาเปลีป่ยนไปสํานักกรรมฐานอยู่เป็นศูนย์วิปัสสนาเซ็นเตอร์โยมก็เห็นด้วยก็ลงทุนปรับโฮเทวให้เป็นสํานักปฏิบัติอันนี้หลวงพ่อคุณก็เลยเรียกอาจารย์พ่อคุณเสดชื่นเป็นรูกศิษย์ของท่านไปลูกศิษย์อาจารย์เสดก็ปฏิบัติกับเราหลายปี สำนักเปิดอารมปฏิบัติก็ไมา่โพนัตรมาดันเสร็จก็ต้องตามตามหาตรมาไปทำมอบให้ทำแต่ว่าการปรับภายในเนี่ยเป็นเจ้าของบ้านซึ่งคุณเลวนาดที่เป็นเจ้าของเนี่ยที่เป็นภรรยาเป็นคนไทยก็ามาปรับเองหมดเลยนะภายในไม่ถึงอาทิตย์เรียบร้อยหมดเลย เราสังเกตการทํางานของเขาเนี่ย เ, เครื่องมือเขาพร้อมความอะเป็นช่างเป็นเทคนิคอะไรพร้อมเราดูเขาทํางานเราเห็นเขาข้าเครื่องตัวการทํางานเราจะเข้าไปช่วยดีเขาเขาบอกเขาไม่ให้ช่วยเท่เากันออกไปเลยเพราะาการทํางานเขาจะไวเนี้ยมากเลยเนะดูเอาคนยามันเป็นอย่างนี้เองเขาถึงได้เป็น เทศมหาอนาจทางด้านเทคโนโนะลยีรวดเร็วว่องไวแล้วก็เรียบร้อยสวยงามนะนนี้คุณภาพชีวิตซึ่งถ้ามาเปรียบเทียบของเรางานอย่างนั้นต้องอาศัยช่างอย่างน้อยเ8ดดคนในบ้านเราเราอาศัยเวลาไม่ต่ำกว่าเวลาเป็นเดือนแต่เขาภายในอาทิตย์เดียวถ้าทำคนเดียวซึ่งคุณภาพชีวิตมันต่างกันคนละเรื่องเลยนะถ้าเปรียบเทียบกับในเมืองไทยของเรา เพราะขานิยมคนไทยของเราเรื่องลัทธิประเพณีที่ไร้สาระน่เยอะมากเลยเนยะเยอะมากแต่ว่ามันก็ทำลายคุณภาพชีวิตไปด้วยเราชอบสนุกสนานถดถึงเรื่องเหล้าเรื่องยาเรื่องอินท oxicate มอมเมาตัวเองเนะี่ยมันเยอะมากนะก็เรื่องเหล่านี้มันก็จะลามไปถึงพระด้วยเนาะพระทั้งหลายก็ไปก็ะยุ่มในเรื่องเหล่านี้สนุกสนานก็เรื่องอาการ ประดับตกแต่งวัดวาอารามให้สวยงามนะก็ต้องใช้ทุนเยอะนะเนี่ย น, นี่เรื่องของนอกเรื่องนะมาคอมเมนตให้ฟังหน่อยเราเห็นความเรื่องขานิยมที่ไล่สาระที่เราแก้ไขอะไรไม่ได้นะเราก็พระมีโฆษณาอย่างเดีมานี่เขาก็เล่ไม่ได้เพราะอพยพโฆษณาอะไรเต้นแรงเต้นกาอย่างกระเด็กมันเล่าไม่ได้นะแต่เราปรับใช้ ให้เกิดประโยชน์ที่เป็นสาระภายในเราต้องการคนมีปัญญาเห็นสาระนี่เท่านั้นคนติดรูปแบบไม่นิยมในเรื่องของไร้สาระเอามาก็ไม่รับเขาไม่ได้เหมือนกันเสียเวลาเรานะดังนั้นเองเราจะอยู่กับคนที่ชอบสาระภายในสบายกว่านะเพราะต่างคนดังเข้มแข็งเดินทางด้วยกันใช่ไหมไม่เป็นภาร ะ, ะของกันและกัน แต่เราดูแลคนที่มีศรัทธามีความเรื่มใสเรามากมายแต่ว่าเป็นภาระของเราแล้วเวลาเร า, เราเจ็บเราป่วยเราไม่สบายขึ้นมามาหุกมมหอรักษาอะไรเราได้อามาคเาคายไปฟอกไข้หลวงพ่อเทียนเห็นชจจัดเจนเลยนะที่โรงบาลสมิติเวชทัท้นที่ท่านนอนบนเตียงช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เราจะเข้าไปช่วยเหลือเนี่ยท่านบอกว่าไม่ใช่หน้าที่ของท่านหน้าที่ของท่านคือไปปฏิบัติแต่นี่คือหน้าที่ของหมอพยาบาล ลูกศิษย์ทุกหลายที่มีความปรารถนาดีที่จะดูแลเนี่ยยืนดูข้างนอกมองตาปิดๆไปลยหลวงพ่อไม่อนุญาตโอ้โหอะไรอย่าขนาดนั้นโยมคนหนึ่งเป็นเป็นคนอุปถัมภ์ใกล้ชิดจาชื่อกันไหมโยมคนนี้นี่ดีมากเลยนะก็ถึงกับร้องไห้เลยทำอะไรกับหลวงพ่อไม่ได้ อ, อ, อันนี้มาโอ้โหเด็กขาดชัดเจนมากตาท่านแปลไม่ได้แสดงถึงความ เดือดร้อนเจ็บปวดทรมานอะไรเหมือนคนเจ็บทั่วไปนะพอะเห็นเห็นว่าท่านก็จะรู้สึกว่าไม่ค่อยดีแล้ท่านบอกว่าเอาหลวงพ่อกลับวัดบอกว่าโรครักษาได้แต่ชีวิตรักษาไม่ได้ท่านนี่พูดนะีโรครักษาได้แต่ชีวิตรักษาไม่ได้เพรา ะ, ะเอาหลวงพ่อกลับวัดท่านก็มา จับหมอวนันหมอเขต้องยอม ท, ทั้งที่หมอไม่อยากให้ออกหมอก็ไม่ใช่ใครลูกบุญธรรมของท่านน ะ, ะหมออรอนยะ่สกุลพรหมจักรนะ <c oughs> หมอวัฒนาสุพรหมจักรใช่ไหมหมอวัฒนาเป็นลูกบุญธรรมของท่านดูแลตลอดเป็นหมอผ่าตัดมือหนึ่งของประเทศไทยนะนะเพราะนั้นเองพอเสียค่าใช้จ่ายทั้งหมดเท่าไหร่เป็นแสนเลย หมอวัฒนาบอกว่าคนที่เสียค่าใช้ใจ่ายโรงพยาบาลที่มิตรเล่ยของหลวงพ่อไม่ใช่ไม่ใช่พุทธนะเขาเป็นบานหลวงว่างั้นเอาทาไมอ่ะเพราะในช่วงนั้นเพราะหมอวัฒนาแกไปเข้าคลินมาก่อนใช่ไหมพอมาเจอหลวงพ่อเขาก็เปลี่ยนแล้วก็ชวนเพื่อนเข้ามาคุยกับหลวงพอ่อบานหลวงเนี่ยปรากฏว่าหมอวัฒนาก็แปลกใจว่ารับอาสาออกค่าใช้ใจ่ายทั้งหมดให้หลวงพอ่อเอาหมอเปลี่ยนเป็นพุทธแล้ว ตั้งแต่ผมพบหลวงพ่อเนี่ยความเป็นพูดเป็นคิดผมหายไปทำให้ผมรู้จักชีวิตเพราะยะันค่าใช้จ่ายทั้งหมดผมรับผิดชอบโอ้อะไรจะขนาด น, นั้นใช่ไหมอันนี้คือคนมีปัญญาเขาเขาดูเขาไม่ได้ติดในเรื่องรูปแบบว่าแบบเป็นพูดหรือเป็นคิดแต่สาระของชีวิตมันคืออะไรทำให้ผมเข้าใจชีวิตนะดังนั้นเอง <c oughs> ในการศึกษาชีวิต เป็นเรื่องที่ต้องทําตลอดเวลาไม่ใช่ตลอดชีวิตนะตลอดเวลาซึ่งได้กล่าวแล้วว่าชีวิตของเราตกอยู่ภายใต้ม น, นาจของไตรลักษณ์ใช่ไหมมีการเกิดขึ้นแล้วก็แปรปรวนตลอดเวล า, ล เ, วลาเรานั่งเนี่ยแปรปรวนไม่ร่างกายปแปรปวนเมื่อกี้มันสบายเดี๋ยวนี้เริ่มไม่สบายแล้วใช่ไหมแ ล, ล้วแปรปรวนล้วก็ต้องหาทางออกก็คือปรับเปลี่ยนเคลื่อนไหวหายใจเข้าแล้วไม่ออกก็แปรปรวนหายใจออกแล้วไม่เข้าก็แปรปรวนนั่งนานก็แปรปรวน ในความแปรปรวนตัวเนี้ยภ <c oughs> าษาก็เร็วทุกถูกไหมที่เรากล่าวมาเมื่อคืนว่า <c oughs> ขอโทษนะครับเพราะว่าหลังมาภูมิแพ้มันแรงแล้วแก้ไขยากมากแต่ถ้าออกมาไม่พยายามแก้ไขเนี้ออกมาก็ตายไปตั้งนานแล้วเนะี่ร่างกายของเรามันกรรมพันธุ์มาไม่ดีแต่ว่าปรับใช้มาตลอดนะปรับใช้มาก็ได้ประโยชน์จากมันเยอะทีเดียวทีนี้ เมื่อความแปลปรนเกิดขึ้นเราจะแปลความแปลปรนนี่ให้เป็นทุกข์หรือเป็นไม่ทุกข์เท่านั้นเองนี่อยู่ที่เราละแต่มันมีหน้าที่ของมันเป็นไ ป, น ป, น ป, นปนอย่างนั้นนะ่ะเป็นทางเป็นสัจธรรมแต่เราจะปรับแก้อย่างไรได้อยู่ที่เราถึงเมื่อคืนได้บอกว่าเราจะต้องสร้างตัวรู้เข้ามาแก้ไขตัวนี้ให้ได้ เพราะนั้นตัวรู้ที่เราสร้างเพื่แต่มาเข้าคอร์สปฏิบัติธรรมนั่งสร้างเจ้าอวเร์ีุมมันไม่พอแต่ตัวนี้คือเป็นมามารับเอาความเข้าใจมารับเอาส่วนเทคนิควิธีการที่ถูกต้องเท่านั้นนะแล้วหนะ้าที่ที่จะทำจริงๆคือการใช้ชีวิตจริงของเราตัวนั้นกระหาที่เราจะได้เป็นเรื่องเป็นดาวแต่ที่เรามาทานี่นํานราปรับแก้ตลอดเวลา โดยที่อาศัยพระเป็นกัลยะาณมิตรแล้วก็ปรับแก้ตามนั้นแล้วเราจะเริ่มความมีความเข้าใจมีความชำนิชำนาญขึ้นนะเพราะนั้นเองก็จึงอยากจะให้ตั้งใจศึกษาเรื่องนี้อย่างจรงิงจังซึ่งช่วงเช้าวันนี้เราสวดเรื่องอะไรนะพระท่านพาสวดเรื่องอะไรจริงในส่วนที่กายานุปัสสนาที่ท่านสวดไปเรื่องของ อริบที่กับอีบุตรย่อยที่เราเราพูดกันไปแล้วที่ท่านน ำ, นำมาสวดแต่ว่าต่อท้ายด้วยการสวดเรื่องของเวทนาเรื่องนี้สําคัญไม่น้อยกว่าเรื่องเมื่อวานนะเพราะว่ามันเป็นตัวเชื่อมต่อระหว่างรูปกับนามกายกับใจอ่าเป็นตัวเชื่อมต่อเป็นสะพานอนะเวทนานี้เป็นสะพานะระหว่างรูปกับนามกายกับใจเข้าด้วยกันถ้าไม่มีเวทนา เราก็จะไม่รู้ว่าเร า, ารู้เรื่องของสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นแปรปวนนี้ได้อย่างไรเพราะอาศัยเวทนาสื่อดังนั้นถ้าเราเข้าใจเวทนาดีเนี่ยโอ้โหปัญญาเกิดมหาศาลเลยเนะภาษาลิบุตรเป็นธรรมเสนาบดีเป็นเลิศทางปัญญาเป็นอัครสาวกฝ่ายขวาของพระพุทธเจ้าใช่ไหมถ้าหาองค์ไปุระที่ไหนไม่อยู่หรือไปปีกเวกเนี่ยคนที่เทสแทนท่านก็คือภาษาลิบุตรหรือพระมหาท่านท่าน ติดอะไรอยู่นั้นก็บอกไปหาภาษาลิบุตรเนะพราะภาษาลิบุตรบรรลุธรรมพาอฟังเวทนาพริกหาสูตรเรื่องของเวทนามากดำมาเล่าหลายครั้งแล้วนะแต่อยากจะให้เชีย้ยเห็นว่าตัวรู้เวทนาเป็นเรื่องสำคัญเพราะนั้นตัวสติสัมปชัญญะถ้ามันถูกต้องแล้วเนี่ยมันจะสื่อเข้าใจเวทนาได้ลึกได้ละเอียดขึ้นเรื่อย <c oughs> ที่เราสวนเ ม, มื่อกี้วเวทนามีสามระดับใช่ไหมระดับที่สบายระดับที่ไม่สบายะระดับที่ยังไม่แน่นอนคือยังไม่ชัดว่าสบายหรือไม่สบายระหว่างช่วงต่อนะถ้ารู้สึกสบายเราก็เห็นอยู่ชัดอยู่รู้สึกไม่สบายยิ่งเห็นชัดใช่ไหมแต่รู้สึกกึ่งๆ ก, กางๆทั้งสบายไม่สบายเนี่ยเราจะสัมผัสได้ตอนไหน เดยสังเกตไหมเรียก ว, ว่าในร่างกายของเรามีแปลความแปรปรวนอยู่สามระดับระดับพสบายก็เป็นความแปรปรวนชนิดหนึ่งระดับความไม่สบายก็แปรปรวนชนิดหนึ่งระดับที่เป็นการเชื่อมต่อระหว่างความสบายและไม่สบายเป็นความแปรปรวนชนิดหนึ่งทั้งสามระดับเนี่ยถ้าเราเข้าใจดูแล้วเนี่ยมันจะแปลเป็นตัวแปลไตรลักษณ์ให้เป็นไตรสีขาได้อย่าง ได้อย่างวิเศษถ้าเราเข้าใจเวทนาเราจะแปลงแต่ักให้เป็นใจศิขาได้ตลอเวลาใตศลขาักพอรู้ใ้ศีขามีอะไรบ้างนะ ช, ช, ชาวพูดนะชาวพูดนะมีอะไรใจศีขาคือศีระศีขาจิตตศีขาปัญญาศีขาใช่ม ที่ี่เวทนามีความสําคัญอย่างไรถึงแปลงไตรลักษ์ให้เป็นไตรสิขาได้อัตรงเนี้ยเราเลยคือสื่อให้ชัดนะถ้าเราเข้าใจจุดนี้ปั๊บเนี่ยเราจะเห็นความสําคัญของเวทนามากแล้วก็ใส่ใจที่จะรู้มันชัดขึ้นชัดขึ้นที่แล้วมาเราอยู่กับมันด้วยความไม่รู้เราเพลินในสุขเวทนาเรากลัวทุกเวทนาเราผลงหลงในอนทุกขมสุขเวทนาเพราะนั้นในที่ท่านสวด สไปสป่าไม่เก้นะเราก็งงๆใช่ไหมทุกครั้งสุขครังเวทนางเวทียะมานูทุกครั้งเวทนางเวทียามีติปะชาตินติเมื่อร่างกายมีความสบายอยู่ให้รู้ชัดๆว่ามันสบายอย่างไรข้อแรกเลยเรารู้สึกอย่างนั้นไหมแต่ละครั้งทุกครั้งเวทนางเวทียะมานทุกครั้งเวทนางเวทียามีติปะชาติเมื่อรู้สึกไม่สบายก็ให้รู้ชัดๆว่ามันไม่สบายอย่างไรเราเคยเข้าไปดูมันชัดๆไหมไม่แล้วก็ อินกับมันเลยนะ่อินกับมันเนี่ยติอทุกขะมาสู่ขังเวทนางเวทียามานุอทุขามาสู่ขั้งเวทนางเวทียามีติปชาติเมื่อรู้สึกเป็นกลางไม่ชัดหรือยังยังไม่เป็นอย่างใดอย่างหนึ่งชัดเจนเนี่ยก็ให้รู้ว่ามันเป็นอย่างนั้นแต่ว่าที่มาได้กล่าวมาเบื้องต้นว่าความรู้สึกสบายหรือไม่สบายเราสื่อได้ชัดรู้ได้ชัดใช่ไหมแต่ความรู้สึก เป็นกลางที่สบายก็ไม่ใช่ไม่สบายก็ไม่เชิงเรารู้ตอนไหนเราสรามารถสัมผัสมันได้ตอนไหนตรงนี้สาคัญนะอนนทุกขะมาสู้ข้างไว้แหนุ่มทำท่าจะรู้ใช่ไหมไม่นึกขยับทำท่าจ ะ, ะรู้นะ อ, อ่าฮะมันงงนะอ้าวงั้นทุกคนลองรู้ขึ้นยืน ความรู้สึกน um mm ั hmm. <st> ่งไม่สบายจากการนั่งหายไปใช่ไหมความรู้สึกสบายจากที่การหายไปของการนั่งเกิดขึ้นใช่ไหมช่วงเชื่อมต่อระหว่างความไม่สบายกับสบายเชื่อมต่อกันตรงนั้นได้สังเกตไหมมันเกิดขึ้นตอนไหนระหว่างเราขยับหรือระหว่างเรายืนหรืออย่างเรายุกหรือลอยยืนเรียบร้อยหรือระหว่างตอนขยับจะเปลี่ยนมันเกิดขึ้นตอนไหนสังเกตไหมตรงนั้นคือถ้าสติสัมยาเราไม่แม่นจริงๆนยเราจะ รู้ไม่ชัดเลยตรงนี้ท่านจึงเรียกว่าไม่ชัดตรงท่านเรียกโมหะโมหะเพราะว่าหลงไม่ตามดูเพราะนั้นถ้ตามดูอยู่ใกล้ชิดเลยถึงจะดูตรงนั้นเรื่องสุขเวทนาสบายหรไม่สมัยไม่ต้องตามดูชัดใกล้ชิดมากอะ่ะมันเห็นชัดชัดเลยใช่ไหมแต่ตัวอุทุกขมุดสุขเวทนามันจ ะ, ะถ้าเราไม่ตามรู้จริงๆอามาทุกบอกเวลาเราเปลี่ยนญี่ปุ่นเนี่ยต้องทําเป็นจังหวะนะหนึ่งสองสามสห้าหกดแปเก้าิเวลานั่งมีจังหวะนั่ง ดีแล้ยืนมีจังหวะยืนใช่ไหมเพื่อหเห็นความเชื่อมต่อตรงนี้บ่อยๆนะการที่ตั้งใจว่าจะลุกเป็นสติและขณะลุกรูกก้ตัวว่าอะไรกําลังเกิดคำความรู้สึกไม่สบายกําลังหายไปความสบายก็ขึ้นเป็นสัมปชัญญะแต่ความเชื่อมต่อระหว่างความรู้สึกสบายสบายไม่สบายกําลังจะต่อกันท่านั้นเป็นปัญญาฮะ จำให้ดีนะตนัวนี้รู้สึกสบายขนาดนี้ประมาณสักหนึ่งนาทีเนี่ยรู้สึกอย่างนี้เอานะรู้ให้ดีก้ 9, ขาข้างหน้าก้าหนึ่งสองโยกลำตัวสากลมตัวสี 4, ย่ยนเท้าซ้ายลงห้าเท้าขวาลงหกปรับท่านั่งเจ็ด งลงในริบทไหนก็ได้ที่สบายต้องทำหลายหลายครั้งและสังเกตหลายๆหุน่นอันนี้คือที่เรียกว่าสีขาไงสีและสีขามันจะไม่มีช่องว่าง่างกายสังเกตเลยใช่ไหมเพราะว่าสีขานะพูดถึงเรื่องศัพท์เนี่ยมันก็แปลกตรงนี้ว่าสีขามาจากคาว่าสกักการอิคตีติสีขา ตามหมวดวิพัตน์ปัจจัยของบาลีทางอาัคยัตเขาวิเคราะห์บอกว่าสี่ขังสกังอิคติติสิขาหรือสกิงอิคติติสิขาการเห็นตัวเองผู้ใดเห็นตัวเองผู้นั้นชื่อว่ามีการศึกษาสกังนั้นแปลว่าตัวเองแล้ค่อยสกยะติที่เจ้ยแล้วก็อิคติติแปลว่าเห็นเพราะอิคติติเห็นเนี่ยมันจะเข้าว่าจักขุเ น, นี่ยมันก็หลักเดียวกัน พิกคุกรากเดียวกันแล้วก็สิขาเนี่ยธาตุเดียวกันแต่ตัวข้างหน้านเป็นอะไรเท่านั้นเองนะาะฉะนั้นการเห็นตัวเองเรียกว่าคนนั้นมีการ <c oughs> ศึกษาขณะ น, นี้เราเห็นตัวเองชัดว่าความไม่สบายเกิดขึ้นอย่างไรความสบายหายไปอย่างไรเห็นชัดไหมการที่เราไปเห็นกระบวนการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปของความแปรปรวนตรงนี้เป็น ดัวสีขาถ้าทําตามระเบียบตามความเหมาะสมที่ที่ความเหมาะสมต่างๆเรียกว่าสี่และสีขาถ้าการลุกการนั่งที่เป็นระเบียบแบบนี้เหมาะสมสวยงามไม่เกิดความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงที่ที่ไม่สวยงามใช่ไหมเป็นสี่และสีขาเป็นระเบียบของฝ่ายลูกแล้วเราตั้งใจสังเกตเห็นความสบายและไม่สบายเกิดขึ้นตั้งอยู่เป็นสมาธิ ใช่ไหมแล้วความพ่อเปลี่ยนแปลงไปแล้วกายสบายขึ้นความรู้สึกทางจิตใจสบายขึ้นไหมโปร่งใช่ไหมเบาตัวนั้นเป็นผลของปัญญาแต่ทั้งศีลสมาธิปัญญามาจากคําว่าสติสัมปชัญญะเป็นตัวงานแต่ผลออกมาเป็นตัวความรู้สึกสบาย เกิดจากการเปลี่ยนใช่ไหมเกิดจากการเปลี่ยนตัวเปลี่ยนนี้พอจะนึกได้ว่าเป็นอาการของอะไรในไตรลักษณ์สามการเปลี่ยนแปลงคืออะไรอานิจังอ่าเพราะนั้นการเปลี่ยนนิยบทการเปลี่ยนแปลงอะไรเียเป็นลักษณะของนิจังใช่ไหมแต่การเปลี่ยนแปลงที่ได้กล่าวไว้มันมีสองลักษณะหนึ่งเปลี่ยนแปลงอย่างรู้สึกตัวและเปลี่ยนแปลงอย่าง ไม่รู้สึกตัวเปลี่ยนแปลงอย่างรู้สึกตัวเรียกว่าเป็นสติที่จะพัฒนาเป็นปัญญายาณต่อไปเปลี่ยนแปลงอย่างไม่รู้สึกตัวเป็นโมหะที่พัฒนาเป็นสัญชาตญาณและเป็นอวิชชาต่อไปแล้วส่วนใหญ่เราเปลี่ยนเยียบทเปลี่ยนทุกอย่างเนี่ยที่เรามีชีวิตอยู่ประจําวั น, เ, นเราเปลี่ยนด้วยความรู้สึกตัวหรือไม่รู้สึกตั ว, ตวเห็นไหม <laughs> เพราะนั้นเรื่องทุก เกิดขึ้นเนี่ยเป็นเรื่องธรรมดามากๆเลยเพราะเราไม่เคยรู้สึกต่อการเปลี่ยนแปลงเลย่บทวันหนึ่งอย่ว่าวันหนึ่งชั่วโมงเนี่ยเราเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเนี่ยกี่ครั้งเนี่ยแล้วรู้ชัดชัดกี่ครั้งนี่คือสาเหตุว่าเพราะเหตุไรคนถึงเข้าถึงสภาวะไอคอนจริงตัวนี้มันยากมันยากตรงที่ว่ารายละเอียดตรงนี้เราไม่พอซึ่งเป็นเรื่องที่น่าศึกษาแต่ไม่ได้เกินวิสัยใช่ไหมที่เราจะทําเหลือวิสัยไหมไม่เหลือ เพราะฉะนั้นตรงนี้จึงเป็นเรื่องของการใช้สติสัสมยาและปัญญาสมัยหนึ่งที่วัดมามีเรื่องเยอะเนาะประสบการณ์เยอะมีเรื่องแทรกเลยที่วัดสนามหนตอนนั้นรัที่กินผักกำลังแพร่หลายใช่ไหมเขาท่กินผักกล้วที่กินเจเนี่ยเพราะว่าตรงๆคือพวกกลุ่มอสศงเนี่ยนะ เขาก็รู้สึกอขพขยายได้อย่างรวดเร็วพระกรรมฐานที่ไหนที่ดังๆเนี่ยเขาก็จะเข้าไปทดสอบว่าเป็นกรรมฐานจริงเนี่ยต้องกินเจถ้าหากว่าไม่กินเจไม่ใช่กรรมฐานแท้เขาก็จะมาตรฐานขอเข้าไปวัดนนะั่ะกลุ่มนี้ก็เข้าไปหาหลวงพ่อเทียนหลวงพ่อปัจจุบันนี่ทานอาหารอย่างไรเป็นมังสวิรัตหรือว่าเป็น เนื้อเป็นอะไรต่างเขาพูดไปเยอะหลวงพ่อบอกว่าพุทธศาสนาไม่ใช่เรื่องของกินเนื้อกินเจไม่เรื่องกินผักกินไม่ผักพุทธศาสนาเป็นเรื่องของปัญญาเป็นเรื่องของปัญญาไม่ได้เกี่ยวข้องเรื่องเรื่องเจหรือไม่เจคนนี้ก็หงายไปใช่ไหเอ้ายังไม่พอลงไปสวนมกุก ไปถามเรื่องเดียวกันกับหลวงพ่อพุทธาธาตุว่าหลวงพ่อพุทธาธาตุฉันเจหรือไม่ฉันเจฉันผักหรือฉันเนื้อหลวงพุทธาธาตุก็บอกว่าให้กินผักกินเจแล้วสําคัญตัวเองว่ากินผักกินเจคนนั้นก็คือควายเพราะมันกินผักเหมือนคนไหนกินเนื้อกินปลาแล้วสําคัญตัวเองว่ากินเนื้อกินปลาคนนั้นเป็นเสือเหมั้น เพราะนั้นระหว่างเสือกับควายไม่ได้ต่างกันนะว่ากั น, นแต่ฉันกินอาหารไม่ได้กินผักไม่ได้กินเนื้อฉันกินอาหารเพื่อหล่อเลี้ยงร่างกายเท่านั้นแสบกว่าหลวงพ่อเทียนอีกใช่ไหม <c oughs> จากนั้นนี่หดเลยเพราะฉะนั้นเรื่องเรื่องเหล่านี้เราเข้าใจประเด็นกันผิดไปมากเลยในเรื่องของผู้ศาสนานะี่ยเราเคร่งศีลเราเคร่งสมาธิเราอดอ้างลืมปัญญาแต่ว่าเราไม่เข้าถึงโลกุตตรปัญญามันก็เลยจะมา วนก็สิ่งเหล่านี้แหละก็ทําให้เราสับสนว่าอะไรอย่างไรโดยเฉพาะเราไม่มีพื้นฐานในเรื่องการศึกษาเรื่องแบบนี้อยู่ด้วยใช่ไหมเราก็ดูแต่คนแสดงออกคนนั้นก็บอกศีลดีคนนี้บอกสมาธิดีคนนี้ว่าปัญญาดีในที่สุดเราไม่รู้อะไรเป็นอะไรจนกว่าเราจะเข้ามาปฏิบัติอย่างนี้มาศึกษาเรื่องความจรงิงมาศึกษาเรื่องความจริงมันเป็นอย่างนี้นะแล้วให้ประจักษ์สินใจเราเองว่ามันแบบไหนมันจะใช่หรือไม่ใช่ไม่ต้องเชื่อ อ, อาจารย์ด้วย พุทธิยถาทำไมเชื่ออาจารย์ญญใช่ไหแต่ให้ฟังว่าสิ่งไหนมันเป็นกุศลคือทําให้ฉลาดขึ้นเออเชื่อสิ่งไหนมันเป็นอกุศลไม่ทําให้ฉลาดมันไม่ได้ทําให้ฉลาดมันทำให้โง่ลงคุณก็อย่าไปเอาอันที่สามสิ่งที่ทํำไปแล้วผู้รู้และบัณฑิตไม่ตีเตียนคุณเชื่อทั้งสิบอย่างเนี่ยมั น, นได้หมายความว่าให้ไม่ให้คุณเชื่อนะแต่ว่ามันมีข้อล็อกอยู่สามอย่างหนึ่งทำให้กุศลเกิดขึ้น สองทำให้อกุศลหายไปสามผู้รู้ไม่ติเตียนบัณฑิตยกย่องสรรเสริญไม่ติดเตียนถ้าอยู่ในเงื่อนไขสามอย่างนี้คุณเชื่อเลยแต่ถ้าไม่อยู่ในเงื่อนไขสามอย่างคุณไม่จําเป็นต้องเชื่อแม้แต่ฉันเองคุณก็ไม่ต้องเชื่ออันนี้คือกาละไม่สูตรทึ่เด็ดขาดมากที่ชาวตะวันตกยอมรับในคําสอนของพพุทธเจ้าแต่พระมีหน้าที่พูดความจริงให้ฟังความจริงเป็นอย่างนี้แหละแต่คุณจะเอาไม่เอาก็เป็นเรื่องของคุณนะ ขาไม่มีหน้าที่บังคับว่าคุณต้องเชื่อนะของฉันเท่านั้นถูกนะคนอื่นไม่ใช่น ะ, อ, ะอันนี้ไม่ใช่พยินหยัติท่านใช้ว่าสัจญาพินิเวศนี่หลวงพระพุทธทาสมาใช้บ่อยๆสัจญาพิิเวศคือยืนมั่นถือมั่นในความจริงและยืนยันว่าความจริงอันนี้ถูกต้องความจริงของคนนั้นไม่ใช่เนะี่ยอันนี้เป็นสัจญาพินิเวศมันไม่ใช่เป็นเรื่องของเจ้าลทัทธิไม่ใช่เรื่องของพระพุทธเจ้า แล้วในประเทศไทยส่วนใหญ่มีเจ้าละที่กับผู้ทีเจ้าอันไหนมันเยอะกว่ากันก็พ่อพิจณาดูอันนี้คือคือความสับสนเกิดขึ้นใช่ไหมถ้าเราไม่ได้ศึกษาเรื่องความจรงิงเราก็ยิ่งสับสนกันดังนั้นเองในเรื่องกับบกมาเรื่องของเวทนาในเรื่องของเวทนาก็เช่นเดียวกันว่าตัวความรู้สึกที่เป็นในฝ่ายกายก็มีสามซึ่งได้กล่าวไปบ้างแล้วเมื่อวานว่า เมื่อเราไม่มีสติสัมยะมากพอเราไม่สามารถจะห้ามการทํางานของเวทนาต่างๆไหลไปสู่จิตห้ามไม่ได้เลยมันเป็นธรรมชาติของมันแต่พระพุทธองค์มาพบว่าตัวสติสัมยะปัญญาเนี่ยจะเป็นตัวสกัดกัน้นตัวเวทนาต่างๆที่เกิดด้วยอํานาจของไตรลักษณ์เนี่ย ไม่ให้มันหลายไปสู่จ <tinc S 1> ิตได้ด้วยการสร้างตัวสิยะให้เป็นฉนวนขึ้นมาก็เรียกจะเอามาใช้เยอะๆใช่ไหมเราก็ติดในห้องแอร์อากาศข้างนอกร้อนอย่าตายไปแต่ข้างในทําไมไม่ร้อนน่ะใช่ไหมเพราะมันมีฉนวนกั้นอยู่น้ําร้อนมากอยู่ในใสในกระติกได้เป็นวันเป็นหลายวันแต่อากาศข้างนอกเย็นมากแต่น้ําข้างในกระติกทาไมไม่เย็นตามหรือกระติกน้ําแข็ง เรใส่น้ำแข็งมาหลายวันแต่อากาศข้างนอกร้อนมากแต่น้ำแข็งก็ยังอยู่เหมือนเดิมนี่มันมีฉนวนกั้นอยู่จิตใจของคนร่างกายของคนร่างกายร้อนมากแปลปวนแรงมากแต่ว่าจิตใจไม่เป็นอะไรจิตใจไม่ได้แปลปวนเปลี่ยนแปลงเป็นทุกข์ไปด้วยกับความแปลผลของร่างกายตามหลักของอนิจจังทุกขังหน้าตายใช่ไหมเพราะมีอะไรฉนวนเป็นตัวกัน้นก็คือตัวสติสัมปชัญญะนี่เองส่วนสติสัมปชัญญะนี้จะเป็น ฉนวนสามารถสกัดกั้นกําลังความแปรปรวนของรูปคือกายของเราเนี่ยได้มากน้อยแค่ไหนเนี่ยขึ้นอยู่กับความหนาแน่นของสติสมัมปชัญญะใช่ไหมแต่ถ้ากระติกน้ําถ้าฉนวนมันบางๆไปนไงไม่นานมันก็เปลี่ยนแปร ป, ปวนน้ําที่ร้อนก็จะเย็นไวน้ําที่เย็นแล้วก็จะกลับไปเป็นน้ําปกติได้ไวเพราะฉนวนมันบางแต่ฉนวนยิ่งหนานแน่นเท่าไหร่ ก็ยิ่งรักษาความในเท่านั้นความขาความหนานแน่นของตัวสติสมิญะสมาธิและปัญญามาต้องว่าให้ครบเลยนะแต่สนามงานก็คือตัวสติสมิญญสมาธิปัญาญานะเป็นตัวคงที่ของคือตัวสติทําให้เกิดสมาธิตัวสมิญะทําให้เกิดปัญญาแต่ตัวสางาน ท, ทําจรงยิ่งคือสติสมิญะาแต่จะออกไปมีผลคือ ส, สมาธิและปัญญา ดังนั้นเมื่อเราคัวอยู่แค่ทำสต์สมสี่ตัวเนี่ยไม่ต้องไปเอาอะไรมากยมันครอบคุมทำทั้งหมดเลย8ปนสี่พันนะครับนี่พุทธย่า ว, ว่าไวน้นะมาไม่ได้ว่าเองเนะว่าภิกษุทั้งหลายนะสัตว์ในป่าเนี่ยเป็นจตุบทวิบัิก็ดีรอยเท้าสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นจะมารวมลงเราในรอยเท้าช้าง แต่ระวังรอยเท้าช้างกับรอยเท้าไอ้แรดเนี่ยอันไหนใหญ่กว่าเคยสังเกตไหมเอามาว่ามันใกล้เคียงกันนะใช่ไหมแต่ถ้าหากว่าตัวเท่าๆกันเลยรอยช้างชางใหญ่กว่าชั้นใดก็ดีทำใดที่เราถากพุที่ตัดไว้ทั้งหมด 80,000 สิบไปรวมในทำหมวดเดียวคือสติถึงเอาสติมาเป็นฐานไงเรียกว่าสติปฐานใช่ไหมสติปฐานสรู้จักกันดีสติปฐานส จะปัญญาประฐานสัมผติประฐานยานประฐานไม่มีนะไหมเพราะฉะนั้นตัวสนามงานที่อยู่ที่สติแล้วก็สัมปทานญาสติเหมือนที่ว่ากดไฟแชกขึ้นปับ๊บล้วไปต่อใส่ตะเกียงหรือไปต่อใส่เทียนไขเป้าหมายของเราที่กดไฟแชกนี่เพื่ออะไรเพื่อจะไปต่อใส่เชื่อเพิงตัวต่อไปใช่ไหมไม่ว่าจุดไป ฉัน้นใดก็ดีที่เราตั้งสตินี้เพื่อให้ต่อใส่สัมปชัญญะสัมปชัญญะเหมือนตะเกียงเหมือนเทีนไขเหมือนกับช่วงที่รับช่วงไฟพายรอดต่อจากสตินั่นเองมันสติสัมปชัญญะจึงมาด้วยกันถ้าคุณกดไฟแชกแล้วคุณไม่ติดอะไรเลยเนะี่ยก็เป็นเรื่องของเด็กเล่นนะ่อใช่ไหมแต่ผู้ใหญ่ต้องกดต้องมีเป้าหมายว่าฉันจะจุดตะเกียงนะฉันจะจุดไฟนะฉันจะจุดเตานะฉันจะจุดเทียนไขนะเหมือนกันถ้าพูดถึงสติสัมปชัญญะต้องมาด้วยนะ อันนี้คือเราต้องมาฝึกตัวนี้ไงตัวรู้ด้วยสติสมัมปชัญญะนะแต่ตัวรู้ที่ไม่ใช่สติสัมปชัญญะก็มีอยู่เราเรียกว่าสัญชาตญาณสัญชาตญาณก็พัฒนาไปเป็นมิจฉาสติใช่ไหมแต่เราเน้นว่าเราฝึกสมาถสตินะสติที่ถูกต้องนั้นสมาถสติจะต้องกลับมาที่ไหนต้องกลับมาฐานสีฐาน ถ้าไม่ใช่มาสีฐานนี้ไม่ใช่สัมมาสติเป็นไิ่สาสติหมดสี่ฐานวันนี้เราเรียนฐานที่สองใช่ไหมคือฐานเวทนาเมื่อวานเรียนฐานกายในฐานกายที่เราจะต้องเข้าไปรับรู้มีถึงกี่จุดเมื่อวานคือว่าเมื่อวานอ่หกคุณวิลไล ม, มาถ้าคุณวิไลมาเมื่อวานคุณวิไลจะจำได้แต่อยู่ที่จำไม่เคยได้สักคนมีถึงหจุดใช่ไหมจุดที่หนึ่งคืออะไร ลมหายใจจุดที่สองยืนเดินนั่งนอนจุดที่สามอิบอดย่อยจุดที่สี่ท่าสี่จุดที่ห้าอาการ3 า, ส, าสองจุดที่6อสุภะใช่ไหมให้ดูทั้งหอย่างเนี่ยถ้าจะดูกายนะคุณจะดูในจุดไหนดูแล้วคุณใช้มันให้เป็นด้วยไม่ใช่ดูแล จ, จําเฉยๆดูแลจำอย่าใช้ไม่เป็นก็ยังไม่เป็นตัวกายานุปัสสนาสติเหมือนกัน ทีนี้วันนี้เวทนาที่เลยสวดมาทั้งสามชุดอะความรู้สึกสบายไม่สบายและความรู้สึกเป็นกลางกลางแต่ว่าภาษาบาลีท่านว่าได้ย่อยแยกละเอียดมากนี่ใช่หรือสามีสังสุขขังเวทนางเวทียามานุสุขขังเวทนางเวทียามีาาติปชานญติเมื่อรู้สึกสบายที่มีอาศัยอารมณ์ข้างนอกเป็นที่ตั้งเรียกว่าเยื่ออามิตรนั่นนะ ความสบายบางอย่างเนี่ยอาศัยสิ่งข้างนอกมาปรุงเช่นเรานั่งในอากาศร้อนใช่ไหมพอเราเปิดแอร์ปั๊บอากาศเย็นมาความสบายของกายกันเนี่ยมันขึ้นกับตัวมันเองไหมมันเป็นขึ้นกับอากาศข้างนอกอากาศร้อนทุกครั้งเวทนาเวทียามิติประชานติติเมื่อรู้สึกไม่สบายก็ให้รู้ว่ารู้สึกไม่สบายให้รู้ชัดชอ่า อตุกะมาสุขังเวทนาเวทยีย <c> ะ <oughs> มีจีประชาติดีเมื่อรู้สึกมันเป็นกลางๆางยังไม่ชัดว่าสบายหรือไม่สบาย <c oughs> ก็ให้รู้ชัดๆนะท่านบอกว่าอย่างที่ท่านสวนมดมนต์ไว้ทีแต่ท่านว่าอันนี้อาศัยเหยื่อนะอาศัยปัจจัยภายนอกนะ <c oughs> ท่านจะพูดอีกคำหนึ่นิรามีสร้างเวทนาเวทยียะนิรามีสร้างสุขังเวทนาเวทยียะมีนุมาโนนิรามีสร้างสุขังเวทนาเวทียามีจีประชานาติ เมื่อความสบายของกายไม่อาศัยสิ่งภายนอกมาปรุงก็ให้รู้ชัดๆว่าความสบายตอนนี้มันไม่อาศัยปัจจัยภายนอกนะไม่ได้อาศัยรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสมามาปรุงให้สบายนะแต่มันเกิดขึ้นเองในบางครั้งความรู้สึกสบายมีมั้มแต่สั้นมากแ ต, แต่ก็ให้รู้ถึงมันจะสั้นขนาดแต่ก็ให้รู้ขวนไปเนี่ยความรู้สึกสบาย ธรรมดาความรู้สึกสบายที่อาศัยปัจจัยภายนอกความรู้สึกอสบายที่ไม่ต้องอาศัยปัจจัยภายนอกแล้วมาวนทั้งสก็เป็นเท่าไหร่เอาเป็น9ใช่ไหมเวทนาทั้ง9 3้าสเกแล้วสนามงานของตัวรู้ก็จะทาในเวทนานี่แหละให้รู้เท่าทันว่าเยอะๆมันก็มีสมสบายไม่สบายเฉยๆกลางๆตอนนี้นนนเรารู้สึกไม่สบาย รู้สึกไม่สบายนั่งมานานเราจะทำยังไงก็ามไม่สบายเป็นเหตุเหตุคือสมูทัยต้องละใช่้ยท่านบอกว่าสมูทัยคือตัวร่างกายที่ไม่สบายเนี่ยถ้าคุณเก็บมันไว้นานๆนะเดี๋ยวความไม่สบายใจมันจะตามมาความรู้สึกผิดปกติทางใจมันจะตามมามันจะเบื่อมันจะเซ็งมันจะง่วงมันจะขี้เกียจมันจะหงุดหงิดตามมาแต่ลึกๆแล้วมันมันไม่ได้บาบัด ทุกเวทนาที่เกิดทางกายมันเป็นธรรมชาติใช่ไหมเราก็มีการปรับเปลี่ยนเคลื่อนไหวนั่นเคลื่อนเคลื่อนไหวเกิดขึ้นเพราะทุกมันบีบนะแต่เราจะปรับเปลี่ยนเอาเคลื่อนไห ว, วทุกนั่นออกมาถึงถามว่าเราปรับเปลี่ยนด้วยสติสัมยะหรือปรับเปลี่ยนด้วยไม่มีสติสัมยาผู้ปฏิบัติจะเข้าม า, ารู้จุดนี้ถ้าผู้ปฏิบัติวิปัสสนาได้ถูกต้องก็ทุกครั้งมีการปรับมีการเปลี่ยน ปรับเปลี่ยนอะไรต่างๆก็จะเข้าไปดูจะมากหรือน้อยก็ตามแต่จะพยายามเข้าไปดู อ, อันนั้นคือนักปฏิบัติคนทำแล้วอาการของการเปลี่ยนแปลงปรับเปลี่ยนเคลื่อนไหวมันมีอยู่เฉพาะเรามานั่งอย่างนี้หรือเปล่าก็ไม่ใช่ไหมจะเข้าห้องน้ําไปทานอาหารไปล้างหน้าแต่งตัวอะไรต่างๆมีตลอดเวลาแต่บางอย่างมันไม่ใช่เป็นการบําบัด แต่เป็นการบํารุงและการบําเลอเช่นอะไรกินอาหารแต่งตัวตรงนี้พอบํารุงบาเรอปั๊บเนี่ยมันเป็นเหตุใกล้ที่จะให้เกิดการขาดสติสัมยะมากเลยใช่ไหมในขณะที่เราแต่งเนื้อแต่งตัวแต่งหน้าเนี่ยเราเคยมีสติสัมยค่อยบรรจงทำไหมรู้สึกตัวนะเนขียนคิ้วทาปากให้รู้สึกตัวอะไรมีไหมโอ้โหยากมากเลยเนี่ยที่ว่า ความรู้สึกตัวที่เกิดจากความหลงเนี่ยหรือความอยากเนี่ยมันจะทำได้ยากมากเลยแต่ความรู้สึกตัวอันเกิดจากการบําบัดทุกขเวนามันจะรู้ง่ายเช่นเรานั่งรู้สึกปวดใช่ไหมก็การที่จะปรับเอาเรื่องปวดออกค่อยเข้าไปปรับตรงนี้สติสัมปชัญญะเกิดง่ายนะเพราะฉะนั้นทุกจึงเป็นพลังงานอันหนึ่งที่น่าจะต้องขอบคุณมันแต่ส่วนใหญ่เราเป็นไง เรากลัวใช่ไหมเรากลัวเราหนีเราไม่สู้เราจะตัดลูกเดียวเราจะพ้นลูกเดียวแต่พระพุทธเจ้าบอกว่าทุกต้องกําหนดรู้ว่าคุณไปพ้นมันทําไมคุณต้องเรียนรู้ต้องวิเคราะห์ต้องวิจัยต้องตามศึกษามันทุกอะเพื่ออะไรเพื่อจะให้มันไม่เปลี่ยนไปเป็นสมูทยัยแต่คุณไม่ตามรู้ไม่ตามศึกษาไม่วิเคราะห์วิจัยมันอะตัวทุกทางกายมันก็จะเปลี่ยนเป็นสมูทยัยทันที แต่ส่วนใหญ่เราจรู้ทุกหรือเรากลัวทุกนี่คือสาเหตุในเรื่องนี้มันมันมีรายละเอียดเยอะมากนะแต่ว่าเอามาพูดให้ฟังลักษณ ะ, ะพอสื่อกันได้นั้นหมายความว่าเราเข้าไปเข้าไปเป็นแล้ว อ, ะอ่ะแต่ถ้าเราเห็นอยู่ก็หมายความว่ามันยังไม่อินใช่ั้ยแต่พอเข้าไปปั๊บเนี่ยมันก็เข้าไปเป็นมาแล้วเช่นร่างกายไม่สบายเราตามรู้อยู่ ความไม่สบายของร่างกายโอกาสที่จะไปเป็นความไม่สบายของจิตเนี่ยยากหน่อยใช่ไหมเพราะเราระวังมันอยู่แต่ถ้าเราไม่ค่อยระวังอยู่ความไม่สบายของร่างกายที่จะเข้าไปเป็นความไม่สบายของจิตเนี่ยง่ายมากใช่ไหมลักษณะที่ไปเป็นตรงนั้นเขาเรียกอินแหละคือความไม่สบายท่นก็รู้สึกไม่ชอบด้วยอินเข้าไปตรงนี้เขาเรียกว่าเข้าไปเป็นเข้าไปเป็นสมูทไทยเกิดแล้วแต่เรายังไม่ใช่พระรหันจ้ะที่ตาม รู้แล้วตัดแต่เรายังก็เป็นคนปฏิบัติอยู่เมื่อมันเกิดขึ้นแล้วเราเข้าไปตามรู้มันตามรู้มันก็บํา บ, บัดไป บ, บําบัดนะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นลักษณะบําบัดอย่างรู้ตัวเนี่ยมันก็จะบําบัดทุกอย่างรู้ตัวมันจะกลายเป็นสติสมญยะแต่พอถ้าเราใช้เวทนาเป็นลักษณะบํารุงและบําเลอมันจะรู้ตัวได้ยากมากเพราะการบํารุงบาเลอทําด้วยโมหะ ไม่ใช่ด้วยสัมปชัญญะแต่จะเอาสัมปชัญญะมารู้ตามพีหลังก็ได้มันนึกขึ้นได้อ๋อมันก็จะเกิดการได้สติขึ้นมาโอ้เราแต่งสังขารที่มันแปลปวนขนานี้มากมายทำไมเนาะเสียเงินแล้วก็อคลดความเข้มข้นในการแต่งเนื้อแต่งตัวลงเราต้องตกแต่งภายในมากกว่าภายนอกนะสวยภายในมากกว่าสวยภายนอกนะออเรา เสียเงินเพราะการตกแต่งใภายในสวยงามกับข้างนอกสวยงามนันหมือนมากกว่ามันจะเกิดได้สติทันทีใช่ไหมเราก็จะเริ่มลดความสําคัญการตกแต่งภายนอกลงแล้วไปให้ความการตกแต่งความเข้มแข็งความฉลาดความว่องไวความเหมาะสมความกระปีก้กระเปล่าซึ่งเป็นเรื่องของสาราภายในได้มากขึ้นใช่ไหมอันนี้คือสิ่งที่บอกถึงว่าเราเข้าใจวิปัสสนาบางคนปฏิบัติวิปัสสนามานานนี่ ยังแต่งตัวพลิ้งอยู่เลยนะเรากครู้วยว่าทมสบายกันแล้วกันมีปัญหากระทบอะไรเกิดขึ้นเดิมหน้าเบี้ยวหน้าบุญเมื่อเดิมหน้าหงิกเมือนเดิมเนี่ยมีศาสนาก็ไม่ไปถึงไหนแต่ว่าเอาเถอะถ้ามีศรัทธาแล้วก็โอเคแต่ผู้นักศาสนาต้องนำด้วยอะไรนะที่ว่าเมื่อวานต้องนำด้วยปัญญาใช่ไหมแต่ว่าถ้าหาคนนำด้วยด้ศรัทธาเราก็เสี่ยงหน่อยนึงเราพบท่าน ผู้ที่จะทําความเข้าใจให้เกิดปัญญาได้ไหมถ้าเรามีศรัทธาเราไปพบพระครูบาอาจารย์ที่บอกความจริงให้เราตรงๆก็โชคดีไปแต่ถ้าเราไปพบครูบาอาจารย์บอกความจริงเราตรงๆแล้วเราเกิดศรัทธาตามอันนั้นปลอดภยัยฝ่าถ้ามีปัญญานําด้วยปัญญาปลอดภัยกว่านำด้วยศรัทธาแต่เรามีศรัทธามากแต่ว่าเราไม่พบครูบาอาจารย์บอกความจริงกับเราเนี่ยศรัทธาตรงนั้นก็อาจจะต้องแปลปรนไปเจอคนที่บอกความบอกความจริงแบบเทียมเทียมกับเราอะ่ะที่แต่ยั่วย้อมให้เราให้ ให้ได้อะไรจากเราบางอย่างมันก็เยอะใช่ไหมความจริงก็ถูกบดบงังแปลสภาพไม่ใช่ความจริงแท้ร้อยหนึ่งอาจจะบอกความจริงสัก 70% ็อนะ็ถือว่าดีแล้วใช่ไหมแต่ท่านจะบอกเท่าไหร่สามสี่อเย่างเงี้ยไอเราก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะเราก็ไม่รู้ความจริงแบบนั้นเหมือนกันดังนั้นในการศึกษาเรื่องเวทนาจำเป็นต้องละเอียดเพราะว่ามันเกิดตลอดเวลา เราก็เปลี่ยนบำบัดมันตลอดเวลาเหมือนกันใช่ไหมย่ามานั่งเนี่ยไม่ไม่ถึงสองชั่วโมงเนี่ยเราเปลี่ยนไปกี่ครั้งเนี่ยเราก็เห็นความแปรปรวนของมันไหมทั้งที่รู้และไม่รู้และขณะที่เราพูดถึงเนี่ยทั้งที่เปลี่ยนด้วยความไม่รู้ก็ยังเยอะอยู่นะแต่ความรู้ตัวก็ยังมีอยู่เพราะฉะนั้นเรื่องนี้นมาตั้งใจศึกษามากเลยเพราะว่าร่างกายจิตใจของเราแปรปรวนเพราะมันมานานเหลือเกิน แล้วมันจะแปรปรวนไปอีกสักเท่าไหร่ไอการแปรปรวนของร่างกายสังขารเนี่ยถ้าผู้ไหนสุขภาพไม่ดีกรรมพันธุ์มาไม่ดีมันความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงมันจะเป็นไม่ได้ไวและแรงมากถ้ายิ่งไม่ได้ทําวิปัสสนาไอความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงนี้เขเป็นไปสร้างความแปรปรวนแปลงทางจิตทุกได้มากเหมือนกันเขาเรียกว่า sensitive คือไวต่อความรู้สึกนะแต่ถ้าหากว่าใครที่เข้าศึกษาวิปัสสนา เข้าใจอย่างถูกต้องสามารถที่จะเปลี่ยนพลังงานของทุกคือความแปรปรวนต่างๆให้เป็นแสงสว่างได้เลยเพราะคุณสมบัติของของไฟนี่มีสองลักษณะของความร้อนมีสองลักษณะหนึ่งก็คือความร้อนสองก็คือแสงสว่างใช่ไหมคุณลักษณะของไฟเราจะใช้ในส่วนไหนของมันในส่วนที่เป็นความร้อนหรือส่วนที่เป็นแสงสว่างบางครั้งเราก็ใช้ส่วนที่เป็นความร้อนของมันเช่นหุงข้าวต้มแกงใช่ไห บางครั้งเราก็ใช้ในส่วนที่แสงสว่างของมันเงี้ยถ้าไม่มีไฟแล้วก็เดือดร้อนแต่ในส่วนแสงสว่างมันก็จะเย็นบางครั้งเราต้องเปลี่ยนความร้อนให้เป็นความเย็นให้ได้เช่นแอร์อย่างเงี้ยคอนดิชันบางครั้งก็เปลี่ยนความร้อนให้เป็นความร้อนเช่นฮีตอย่างเงี้ยนี่แล้วแต่สถานการณ์แต่ที่สําคัญคือเราต้องรู้จักใช้ความร้อนความเย็นให้เป็นเราก็ต้องรู้จักใช้ความสุขความทุกข์ให้เป็น ถ้าเราไปอินในสุขในทุกเนี่ยเราจะจัดการมันได้ไหมไม่ได้แต่การที่จะจการสุขทุกขได้เนี่ยต้องไม่อิ น, นช่างแอร์และช่างไฟสามารถแปลพลังของทุกพลังของไฟเนี่ยให้เป็นทั้งร้อนทั้งเย็นก็ได้ดังนั้นผู้เรียนวิปัสนาคือเรียนตึงความเป็นช่างดูแลของร่างกายสังขารตัวเองถ้าความรู้ไม่ถึงระดับช่างนะยากเลย ช่งางก็หมายเขาว่าช่างคือเป็นคนที่มีสกิลมีทักษะสูงในเรื่องนั้นใช่ไหมถึงเป็นช่างได้เพราะฉะนั้นพู้ที่จาหรือนักปราชทางภาษาที่ใช้คําว่ากุส่วน ล, ลจิตเนี่ยมาจากคําว่าสกิล u l Skill f ิล mind คือกุศละจิตเพราะนั้นคำว่าสกิลนี่ไม่ได้หมายถึงว่ามันแต่เรามาแปลว่าดีนะกุศลวแปลว่าดีใช่ไหมแต่ลากสัมมันแปลว่าฉลาด กุศลเนี่ยแปลว่าฉลาดอันสกิลฟูลแปลว่าไม่ฉลาดจิตที่ไม่ฉลาดคือไม่ถ้าใช้บ้านเราเลยพูดเป็นทําเป็นคิดเป็นจะมาแปลมันหลักการศึกษาคือแปลมาจากคำว่ากุศลพูดเป็นทําเป็นคิดเป็นพูดไม่เป็นทําไม่เป็นคิดไม่เป็นสามารถทําของดีให้เสียได้ใช่ไหมแต่ถ้าหากว่าพูดเป็นทําเป็นคิดเป็นสามารถทําของเสียให้ดีได้เพราะนั้นในพุทธศาสนาจึงเน้นเรื่องกุศลไม่ได้เน้นเรื่องบุญ แต่คุณชัยชอบทําบุญด้วยทำบุญส่วชอบทําบุญบุญเนี่ยเป็นสื่อให้ไปพบท่านพระหรือกัลยาณมิตรตัวเองถ้าเราไม่มีจิตใจเป็นบุญเป็นกุศลโอกาสได้สื่อต่อไปหาคนที่เป็นพระเป็นสงฆ์เป็นเจ้าหรือผู้รู้เนี่ยมันยากบุญกุศลเป็นเป็นเหตุบุญเป็นผลกุศลเป็นเหตุส่วนใหญ่เราไปเน้นที่ผล บุญเป็นผลนะแต่ขุศน์เป็นเหตุเพราะนั้นคนที่ไม่ไม่มีทักษะหรือไม่มีความเชี่ยวชาญในการดูแลจิตเนี่ยจะหาความสุขได้ยากแต่คนที่มีทักษะในการดูแลจิตเป็นเนี่ยจะหาความสุขได้ง่ายความสุขเป็นบุญใช่ไหมนะความสุขเป็นบุญความอิ่มความเต็มเป็นบุญมันเป็นผลนะ่ะแต่เหตุมันคือเราต้องทาให้เป็นแต่คนที่ไม่มี มีกุศลน้อยแต่บุญมากเนี่ยกะว่าเป็นไงเศรษฐีติดคุกเศรษฐีเป็นทุกข์เศรษฐีน่าเลือดใช่ไหมมีบุญที่มีทรัพย์สมบัติแต่ไม่มีกุศลเป็นทุกข์เพราะทรัพย์ของตัวเองเราไม่มีกุศลเรามีลูกที่ดีมากเป็นทุกข์เพราะลูกเรามีสามีภรรยาที่ดีมากเป็นทุกข์เพราะสามีภรรยาเพราะเราไม่ฝึกฝนเรื่อง ก, กุศลขึ้นมาเราใช้เขาไม่เป็นสิ่งของในบ้านของเราเยอะแยะแต่เราใช้ไม่เป็นก็ไม่มีประโยชน์ ดังนั้นกุศลเนี่ยคือฝึกการใช้สุขให้เป็นใช้ทุกข์ให้เป็นคุณมีสุขทุกข์ก็จริงแต่ถ้าไม่มีกุศลแล้วคุณใช้ไม่เป็นสุขทุกข์นั่นเองทําลายคุณเองใช่ไหมสุขทําให้เราขึ้นสวรรค์ทุกข์ทำให้ตกนรกพอขึ้นสวรรค์ น, นานสเสวยความสุขจนหมดบุญแล้วก็ไปตกนรกพอไปตกนรกแล้วมันร้อนมันเดือดร้อนมากๆแล้วก็หนีก็สร้างบุญเยอะๆก็ไปเกิดสวรรค์ใหม่ก็จะเวียนอยู่เงี้ยเพราะเราไม่มีกุศล พอเรามีกุศลศึกษาเรื่องสุขเรื่องทุกข์ให้เป็นแล้วโอ้สุขมันก็ไปของทุกข์ทุกข์ก็ไปทางสุขเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปเอามันทั้งสุขทั้งทุกข์แต่ไปฆ่ามันไปเสียใช่ไหมเขว่าเหนือสุขเหนือทุกข์ใช่ไหมเวลารู้สึกสุขขึ้นมาเราก็จะไปเสพมันเท่านั้นเองเวลาเป็นทุกข์ขึ้นมาคุณก็จะไปกลัวมันคุณจะไปเกลียดมันก็ก็ดูมันศึกษาใช้มันทั้งสุขและสุขต่างก็เป็นพลังงานใช่ไหมแต่คนเราก็เข้าไป สุขก็เข้าไปเพลินทุกก็เข้าไปกลัวเริ่มไม่กล้าคนก็จะวิ่งหาในสุขใช่ไหมแล้วในสุขไปเจออะไรไปเจอทุกขคนที่วิ่งหนีทุกมันก็ไปเจอสุขอีกในแง่พระพุทธเจ้าแบบคุณไม่ต้องวิ่งคุณให้ทําความรู้จักมาทุกต้องกําหนดรู้ไงคุณต้องศึกษาทุกต้องทําความเข้าใจทุกต้องวิเคราะห์วิเคราะห์วิจัยแล้วคุณก็รู้สาเหตุว่าสุขอะไรทุกอะไรว่าสุขก็ไม่น่าเอาทุ ก, ก็ไม่น่าเอาแต่ใช้ให้เป็นประโยชน์นะ ไฟเนี่ยคุณจะใช้เป็นประโยชน์ได้แต่คุณไปอยู่กับมันไม่ได้นะมันเผาคุณตายแต่คุณใช้มันได้บ้านไหนไม่มีไฟเด๋ยดร้อนใช่ไหมน้ำที่มาให้เราใช้ถ้าไม่มีไฟเป็นไงเดืยดร้อนนะคุณต้องใช้เครื่องสูบเครื่องดูดอะใช้ไฟอะใช่มอ่าสุขทุกข์ในร่างกายของเราก็เช่นเดียวกันถ้าเราไม่ฝึกฝนเรื่องกุศลและจิตเราก็จะไปตรงนั้นไม่ได้ นั้นตลอดเวลาที่สติสมิญะเป็นกุศลเป็นโลกุตระกุศลเป็นกุศลขั้นสูงเพราะนั้นเราทาบุญกับคนปฏิบัติมิปเสนาด้วยบุญเยอะเพราะอะไรเพราะว่าเราก็จะได้ฝึกอย่างท่านด้วยเพราะโลกุตละกุศลกุศลขั้นสูงเนี่ยมันสามารถแปลสุขให้เป็นทุกข์แปลสุขไปทุกข์ให้มันเป็นเหนือได้นี่ที่มันมีบุญตรงนั้น ฉันั้นการปฏิบัติวิปัสนาจึงได้บุญมากเพราะมันจะทําให้รู้จักเหตุของสุขของทุกข์ที่แท้จริงแล้วใช้สุขใช้ทุกข์เป็นไม่ใช้สุขมามอมเมาตัวเองและไม่ใช้ทุกข์มาเผาหล่นตัวเองแต่ใช้ทั้งสุขทั้งทุกข์ให้เป็นหยดเหมือนเราใช้ไฟใช้น้ําในบ้านเราถ้าใช้ไม่เป็นเป็นไงไฟช็อตเราตายน้ําใช้ไม่เป็นก็ทําให้เลือดเทอะไปหมดท่อแตกน้ําไม่มา ไอ้ทำนองเนี่ย <c oughs> ดงนั้นเองเรื่องเหล่านี้เป็นเป็นเรื่องปกติชีพจักวันของเรามากๆเลยแต่เนื่องจากว่าเรายังไม่เกิดธรรมจักสุยังไม่เกิดดวงตาเห็นธรรมจึงไม่สามารถที่จะโยงไอ้ตัวรูปธรรมไปสู่นามธรรมได้ไม่สามารถที่จะโยงโลกุตละให้เป็นโลกิยะได้เพราะไม่เห็นทั้งสองฝั่งชัดเจนจึงทําไม่ถูกเราเห็นฝั่งใดฝั่งหนึ่งเข้าไปอินฝั่งใดฝั่งหนึ่งแต่เราไปเห็นทั้งสองฝั่งแล้วสามารถปรับเปลี่ยนใช้ได้ แล้วเราจะทุกเป็นไหมไม่เป็นพวกช่างไฟจะมีปัญหาเรื่องไฟไหมมันรู้เรื่องหมดใช่ันใดก็ดีเราปฏิบัติวิปัสนาเพื่อให้เป็นเป็นคนเป็นช่างคือมีสกิลมีทักษะในการใช้ชีวิตนะนะดังนั้นเองในแผนการศึกษาแล้วว่าไว้สวยหรูแต่ว่าทำได้ไม่ถึงหรอกนะไม่ถึงเพราะว่าคนทำเอง ไม่ได้ลงมือปฏิบัตินะอั น, นั้นเองเรื่องของเวทนาจึงเป็นเรื่องที่สําคัญตามรู้ไปเรื่อยๆแต่ว่าตามรู้แบบสบายนะถ้าคุณตามรู้อย่างจริงจัง่าไปยิงจังกับไฟได้ไหมเราไม่ได้คุณต้องใช้เครื่องมือใช่ไหมคือไปจับไฟตรงๆได้เรื่องอีงกเหมือนกันเวทนาถ้าไปเพ่งมันตรงๆอ่ะเป็นเรื่องเหมือนกันเครียดเกร็ง อ, อึดอัดปวดหัวใช่ไหมแต่ว่าสังเกต เฝ้าดูแล้วค่อยปรับทังนั้นแต่งทั้งนี้ไปเรื่อยๆเยวทนาก็จะเป็นคุณกับเราทำให้เราปรับทุกขเวทนาให้เป็นตัวปัญญาได้เรื่อยๆ เ, เพราะเนื่องจากว่าตัวเวทนาเป็นตัวเชื่อมต่ อ, อตัวเชื่อมต่อระหว่างรูป ก, กับนามระหว่างตัวพลังงานนะส่วนบวกไปสู่ลบส่วนบวกลบไปสู่บวกนะ นั้นเองในการศึกษาวิพัฒนาต้องจับจุดตรงนี้ให้เรื่องเวทนาแปลความเปลี่ยนแปลงไปสู่จิตได้แปลความเปลี่ยนแปลงของจิตไปสู่กายได้แต่เรารู้ช่วงเชื่อมต่อช่วงนี้เราสามารถเลือกได้เท่านั้นเองสิ่งไหนที่ไม่ไม่เข้าท่าทางลูกก็อย่าให้มันผ่านไปสู่น้ำสิ่งไหนที่มันไม่เป็นกุศลทางน้ำก็อย่าให้มันไปสู่ลูกเช่นเรานึกอยากอะไรขึ้นมาเนี่ย เราก็ต้องการกลองก่อนสถิกตนกรองเอ้ยที่อยากตัวนี้จําเป็นไหมแต่ขาดสถิติเยอะฉัญอยากก็ต้องหากินให้ได้ใช่ไหมแม้สิ่งนั้นจะเป็นโทษเป็นภัยก็ตามโรคภัยทุขเจีบจึงเกิดขึ้นเยอะเราขาดตัวกลองไงเพราะนั้นตัวสถิติเยอะจึงเปรียบเส ม, มือนกลองที่กรองเรื่องสุขเวทนาทุกเวทนานทุกขคมสุขเวทนาทางกายไม่ให้ไปรั่วไปสู่ขิต รองตัวเวทนาทั้งสามไม่ให้ไปบังคับกายแต่เราชอบอาหารชนิดนี้เราขยันหาเงินเพื่อจะได้เงินมาเพื่อที่จะไปเสพสุกกับวัตถุทั้งหลายจะทุกขนาดไหนก็ตามร่างกายไม่ได้หลับได่นอนก็ช่างขอให้ได้เงินเยอะๆกันแล้วกันความอยากภายในไปบังคับสร้างความลาบากให้กับร่างกายใช่ไหมจอบนึงไม่พอต้องสองจอบสามจอบ เราจะเอาเวลาที่ไหนร่างกายไม่พักผ่อนร่างกายก็แปรปรวนนะหนักขึ้นความอยากก็เป็นเหตุเป็นสมุทยัยเรียกว่าตันหาสมุทัยของฝ่ายนามเรียกว่าตันหาแตส่สมุทัยของฝ่ายลูกเรียกว่าไตรลักใช่ไหมแต่ถ้าเราไม่มีสติสมุญะเป็นตัวกรองความต้องการของรูกมันก็จะมาสร้างความอยากให้เกิดความต้องการของนาม เช่นสุขเวทนาเกิดจากอนิจจังใช่ไหมพอเราไม่รู้จักสุขเวทนั้นทำอนิจจังก่อใเกิดสุขเวทนาเราตามรู้ไม่ทันมันแปลมาเป็นความชอบใจโสมนัติสมนัตแปลเป็นอภิชาอภิชาแปลเป็นนันทินันทิแปลเป็นราคะไปเลยๆราคะกลแปลเป็นตัณหาไปเรื่อยๆของมันตามห่วนการตามภาษาเทคนิคเขาดังนั้นความละเอียดอ่อนในการดูการศึกษา ในการเคลื่อนไหวเนี่ยอามาเองเป็นคนย้อนสอนตัวเองบ่อยๆนะบางทีเราปล่ยมือไปตอนแรกไม่รู้สึกตัวคุณไปใหม่ดิจับใหม่เมื่อกี้คุณเอามือไปจับตรงนั้นโดยคไม่รู้สึกตัวนะจับครั้งที่สองดับเบิลเช็คเสมอตรนะวจสอบมันก็มีโอกาสเอาคืนได้บ้างอะ่ะบางครั้งเราก็เผลอใช่ไหมแต่พอเรารู้สึกตัวทําใหม่สมัยมาฝึกใหม่ๆนะตอนนั้นอยู่วัดผาลานนะปีสองห้า แล้วดูแลความสะอาดคนเดียวพระอาจารย์คงศักดิ์ยัคงศักดิ์ยาวัฒน์ท่านก็ไปอยู่ทางดูแลทางนู่นทางสันปะตองสำนักถ้ำทุบปู่แล้วก็ดูแลวัดแท น, น, ท, น, น, นท่านโอ้หน้าแรงมาไปไม้หล่มเยอะแล้วฝุ่นผงมันอยู่ใกล้ถนนที่ทางขึ้นภาราดทางขึ้นเดชุเทพใช่ไหมเราก็ทั้งกวาดทางทำความสะอาดมันก็ปวดหัวไหลมันก็เมื่อย เอ๊เราทำความเคยทวคยทวามเคยชินมัถึงได้เมื่อยเนะาะแล้วทเรื่องของไม่เมื่อยทำอย่างไรตอนนั้นก็มีการเจริญสติแต่ยังไม่เข้มแข็งนะ่ก็เลยเอาใหม่ย้อนสอนลองดูว่าพื้นตัวนี้มันกว้างเนี่ยจะเช็ดยังไงโดยที่จบแล้วไม่เมื่อยเลยทำได้ไหมเริ่มเลยกลับมานั่งใหม่ลำดับขั้นตอนใหมนะ่ว่าก่อนที่กูจะเช็ดพื้นนี่ให้สะอาดเนี่ยกูเริ่มต้นอย่างไรมาลำดับใหม่ คิดถึงอะไรก่อนระวหว่างผ้าคีริ้วกับน้ำไม่กวาดคิดถึงอะไรก่อนคิดถึงไม่กวดาดคุณเดินจับนิ้ะหาไม่กวาดเดินยังไงพาไปถึงไม่กวาดแล้วคุณยื่นแขนไหนออกก่อนที่จะจับไม่กวาดใช่ไหมแล้วค่อยๆปัดไปอย่างรู้สึกตัวเอาก็เสร็จแล้วต่อไปคุณจะทาอะไรผ้าคีริว้วคุณเดินมาหาภ้าคีริว้วจับผ้าคีริ้วได้คุณเอามือไหนจับ แล้วจากภ้าคีริ้วไปหาก๊อกน้ําที่จะซักผ้าคีริ้วก่อนมาเช่นเนี่ย <c oughs> ใช่ไหมลำดับลําดับเวลาได้บิดผ้าคีริ้วมาแล้วจะการบิดเป็นงไงคุณรู้สึกตัวลำดับขั้นตอนไอ้นี่ลืมตั้งต้นใหม่เม่อกีคุณทําไปโดยไม่รู้สึกว่าคุณตั้งต้นใหม่ย้อนสอนตัวเองบ่อยเข้าบ่อยเข้าโอ้ได้เรื่องเลยทีนี้เพราะฉะนั้นนิสัยในการย้อนสอนนิสัยในการนี้มันเป็นนิสัยที่ดีมากในการเจริญสติแต่ไม่ใช่ย้อนสอนคนนะ ย้อนสอนตัวเองย้อนสอนคนนี้เป็นเรื่องเลยวรากันเน่ยย้อนสอนตัวเองบ่อยๆแล้วก็เห็นขบวนการตรงนั้นจำได้ว่าทำความสะอาดทั้งหมดสองชั่วโมงอะไรเกิดขึ้นรู้ไหมเกิดพิติอิ่มเบาสบายเหงื่อไม่มีไม่เหนื่อยไม่หนักเบิกบานโอ้อย่างนี้เองก็เกิดความประทับใจตั้งแต่นั้นมาในการเจริญสติกับการงาน อามาก็เอาเรื่องนี้ไปแชร์กับคนอื่นแต่ว่าจะมีความศรัทธาและตั้งใจขนาดอาตมาไว้แค่นั้นเองเนี่ยนะไรสาระหาเรื่องก็ไปตามตามตามตามเรื่องอะ่ะแต่ถ้าเรามองเรื่องนี้เป็นเรื่องที่มีสาระแล้วเนี่ยมันจะกลายเป็นทิสยัยทีละนิดทนิดแล้วเราได้ทิสายตรงนี้บ่อยๆเราก็เยิ่มเริ่มย้อนสอนในเรื่องอื่นเป็นอะ่ะใช่ไหมตรงนี้เรียกว่าศึกษาเวทนาพยายามให้ละเอียดอย่าข้าม อะไรที่เราเคยชินเนี่ยทำไปปุ๊บมาเป็นคนวัยใช่ไหมหลายครั้งได้รับความเจ็บปวดได้รับความเหน็ดเหนื่อยรับความทุกข์เพราะความวัยของตัวเองยากมากเลยเพราะมันเป็นอะไรเป็นที่ใสเป็นสัญชาตญาณเป็นสันดานเราอ่ะทีนี้จะทำไงก็ต้องทำอะไรไว้ยื่ก่อนปรับหายใจให้ลึกๆรู้นรู้ตัวใหม่แล้วเข้าไปทาใหม่อย่างมีจังหวะ พอสักพักมันเริ่มไหวอีแล้วนิสัยเก่ามันเข้ามาหยุดก่อนแล้วเข้าไปทําใหม่บ่อยเข้าบ่อยเข้ามาันเริ่มเริ่มเริ่มช้าลงเริ่มเย็นลงเริ่มคามดาวแล้วเราก็ทําอะไรอย่างมีความสุขทีนี้หลายครั้งที่ทํางานไปแล้วเกิดปิติมันไม่เหนื่อยเพราะเราได้ดําดับยมจะซักผ้าย่างมีความสุขได้ไหมในขณะนั้นต้องระวังทั้งกายทั้งจิตเลยนะขณะทําจิตมันจะแฉลี่ยออกข้างนอกอ้าเข้ามาตามกายให้ทัน เราพอจะเพ็ดพื้นใช่ไหมโหคนทั้งบ้านกูเอากูเช็ดคนเดียวกูทำคนเดียวมันไม่มาช่วยกูเลยนะกูทำงานเยอะด้วยมันอยู่กันนอนยังไม่ตื่นโอ้โหตกนรกในขนะดนั้นด้วยนะคาสติอย่างรุนแรงแล้วก็กายก็ไปทางใจก็ไปทางแล้วทุกมันอยู่ได้ไหมมันต้องเกิดนี่ดูสิเนี่ยถ้วยกินแล้วก็ไม่ล้างผ้าเสื้อใส่แล้วไม่ล้างกูคนเดียวนี่ไม่ไหวพวกนี้ไปแล้วไปคอมเพลนให้มาเด็กมันฟัง เด็กมึงเขแม่ทําดีแต่ว่าหนูไม่ชอบเลยทำให้บ่นนี่เลยนีชีวิตจิตวิญเราเป็นอย่างนั้นใช่ไหมอ่าเราก็ทุกอะนะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้มีรายละเอียดเราค่อยไปทำบอลแล้วกันนะวันนี้เนาะเป็นเรื่องวันของเวทนาเมื่อวานเป็นเรื่องของกายยมสองก็บยมตีมาช้าไปแต่ก็ไม่ช้าเพราะนักเรียนเก่าเนี่ยเขตามทันอยู่แล้วเนาะไปดูเรื่องเวทนาให้ละเอียดหน่อย ถ้าก้าวเดินไปไม่รู้สึกเตลือหยุดก่อนกลับมาก้าวใหม่ยอมเสียสละหน่อยยอมช้าหน่อยมันที่ดีม า, มาทําเรื่องนี้แหละไม่ได้รีบไปไหนแหล้วช้าหนอยไม่เป็นไรนะก็น่าจะพอนะข้อมูลทั้งหมดลองไปทําวันนี้นะน่าจะเพียงพอใครมีอะไรสงสัยก่อนที่จะเลิกถามตรงนี้เป็นเรื่องสําคัญเป็นคําถามที่ดีมาก ถ้าเราตั้งใจทำเกินไปถือว่าเป็นการเพ่งไหมตรงนี้ต้องเข้าใจระดับหนึ่งก็คือตัวสัมปชัญญะถ้าไปรู้จุดใดจุดหนึ่งเฉพาะอย่างอันนั้นเป็นเป็นตัวเข้าไปสู่สมาธิแต่ถ้าเป็นสัมปชัญญะมันรู้ทั้งหมดตัวสัมปชัญญะหมายความรู้ทั่วพร้อมทั้งหมดซึ่งเมื่อวานเราผ่านมาแล้วยมตีไม่ได้มาตัวรู้ตัวทั่วพร้อมมันระบายการเพ่งออกไปสู่ทั้งตัว แต่ไม่ได้เพ่งทั้งตัวแต่มันจะเป็นลักษณะที่ทำแบบรู้ตัวท่วพร้อมแบบสบายๆเพราะในนั้นอมามักจะพูดบอกฝรัง่งเวลาคุณตั้งใจประเดี๋ยวหนึ่งต้องมี f ร e e l y เ e n t r เทอรี่อีเล็กซิงลี่ไมหมายาว่าให้ทำอย่างรู้สึกตัวค่อนคลายอิสระแล้วก็เบาซอ f t l y นุ่มในการทำ แต่ถ้าคุณ tense คุณ s t r e คุณ strong focus นะคุณเครียดนะก็ต้องทำแบบสบายๆนะต้องคำนึงถึงเงื่อนไขตรงนั้นด้วยต้องต้องมีความเข้าใจในในส่วนหนึ่งนะก็เอาไว้แค่นี้เนาะก็ขออนุโมทนาสาธุในความตั้งใจที่จะศึกษาเรียนรู้เรื่องนี้ต่อไปอย่างเข้าใจใส่ใจ ได้ถูกต้องผ่อนคลายได้การทุกคนทุกท่านเถิน